และสังเวยเป็นประจำเมื่อจะประกอบพิธีบูชายันก็จุดไฟบูชายันไปจากไฟนี้พระพุทธเจ้าทรงประธานความหมายใหม่ในชื่อภาษาบาลีและจัดเป็นลำดับที่สองว่าคาหาปะปตกคิไฟเจ้าบ้านหมายถึงบุตรพัญยาคนรับใช้และคนงานอาหะวณียักคณี